เรื่องเล่าผีหลอนตอนผีบ้านทรงไทยญาติผู้ใหญ่ของผมคนหนึ่งชื่อว่าลุงชดชอบเรียนวิชาอาคมและเป็นนักสะสมพระเครื่องตัวยงส่วนเครื่องรางของขลังก็พอมีบ้างแต่ไม่มากนักลุงชดนี่แหละครับที่ทำให้เรารู้ความจริงว่าในโลกนี้มีผีอยู่จริง สมัยที่ลุงชดยังเป็นหนุ่มๆแกเป็นคนใจร้อนใครมาท้าตีท้าต่อยเป็นไม่ได้เลือดของนักสู้เป็นต้องเดือดพล่านขึ้นมาทันทีด้วยเหตุนี้เองทาให้ลุงชดต้องเรียนรู้เรื่องราวของวิชาอาคมซึ่งถือว่าเป็นเรื่องปกติของผู้ชายอยู่แล้วหลังบ้านของลุงชดอยู่ติดกับวัดขิดซึ่งสมัยก่อน มีกิติศัพท์ในเรื่องผีดุเป็นอันมากไม่มีใครกล้าเดินผ่านวัดในเวลากลางคืนแต่ลุงชดกลับเดินผ่านป่าช้าอย่างสบายใจเหมือนว่าในป่าช้าเป็นห้างสรรพสินค้ายังไงอย่างนันเออถามจริงๆทะลุงไม่เคยถูกผีหลอกบ้างเลย ร, รืเราก็ต้องแยกแยะให้ออกผีหลอกกับผีมาปรากฏร่างมันคนละเรื่องกัน แต่คนทั่วไปนะ่ะ ม, มันมักเข้าใจผิดคิดว่าทุกครั้งที่เห็นผีนะ่ะจะทึกทักวัตถุผีหลอกทีจริงแล้วมันไม่ใช่เขาอาจจะมาปรากฏตัวให้เห็นก็เพราะต้องการจะบอกอะไรเราบางอย่างบางครั้งผีมีความหิวโหวยไม่มีใครทำบุญอุทิต ส, ส่วนกุศลมาให้แต่เราเป็นผู้มีจิตใจเอื้ออารี ผีจึงมาขอส่วนบุญโดยการปรากฏร่างให้เห็นแล้วที่บอกว่าผีมาบอกอะไรเราบางอย่างหมายความว่ายังไงครับลุงก็ผีนั้นะ่ะมันมีความสามารถพิเศษคือเขาสามารถร่วงรู้เหตุการณ์ในอนาคตรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับใครบางคนหากว่าเขามีความปรารถนาดีไม่ต้องการให้คนผู้นั้นต้องได้รับเคราะห์กรรม เขาก็จะมาปรากฏร่างให้เห็นเพื่อเป็นการเตือนให้ระวังคงจะเคยได้ยินคำกล่าวที่ว่าผีมาบอกแล้วนะแล้วลุงห้อยพระเครื่องบ้างหรือเปล่าครับไม่ห้อยพระเครื่องคนที่ห้อยพระเครื่องแต่ทำตัวไม่ดีห้อยพระก็เท่านั้นไม่มีอะไรดีขึ้นหรอกแล้วผมได้ข่าวว่าคุณลุงอ่ะเคยถูกฟันแต่ฟันไม่เข้ามันเรื่องจริงหรือเปล่าฮะตอนนั้น ลุงไปมีเรื่องกับนักเลงวัดบ้านทวนอ่ะมันเกเรชอบหาเรื่องชาวบ้านเห็นพวกสาวๆเป็นไม่ได้ไม่เลือกว่าเป็นลูกเขาเมียใครมันจีบด่าไม่เลือกหน้าลุงก็เลยท้าดวลพวกมันแต่มันเล่นทีเผลอตอนที่เรายังไม่ทันระวังตัวนะอิดาบยาวของมันฟันเข้าที่กลางหลังตอนนั้นลุงสะดุ้งคิดว่าเวิร์กแล้ว แต่พอรู้ว่าไม่เข้ากำลังใจมันก็มาเป็นกระบุงเลยละ่ะเลยไล่แทงพวกมันจนหนีกระเจิงไปโอไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าเรื่องคงกระพันชาติอ่ะมันจะมีอยู่จริงเฮ้ยมันยังมีความลี้ลับในโลกที่เรายังไม่รู้อีกมากมายแต่คนทั่วไปอ่ะก็มักจะมองว่าสิ่งไหนพิสูจน์ไม่ได้แสดงว่าสิ่งนั้นมันเป็นเรื่องเลวไหลอย่าไปเชื่อ ยังกับเรื่องผีก็เหมือนกันนะคนชอบพูดกันหนักหนาว่าอย่าไปเชื่อเลยในโลกไม่มีผีหรอกแต่ลุงนะเคยเจอมาแล้วนับไม่ถวนเลยละเราเองสนใจอยากจะฟังหรือเปล่าละ่ะแล้วประสบการณ์เรื่องผีเรื่องแรกที่ลุงชดได้เล่าให้ฟังก็คือผีที่บ้านท่งไทยซึ่งบ้านทรงไทยหลังดังกล่าวอยู่ที่อำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายก ซึ่งปัจจุบันบ้านหลังดังกล่าวก็ยังอยู่แต่ถูกดัดแปลงบางส่วนให้เป็นร้านอาหารไปแล้วเรื่องราวก็มีอยู่ว่าวันนั้นลุงชดไปหาเพื่อนที่จังหวัดนครนา ย, ยกเพื่อนเก่าไม่ได้เจอกันมานานมันก็กินดื่มกันติดลมไปหน่อยรถเที่ยวสุดท้ายก็เลยหมดเพื่อนก็เลยชวนนอนค้างที่บ้านใจจริงของลุงไม่อยากนอนค้างที่บ้านเพื่อนสักเท่าไหร่ มันมีอะไรบางอย่างที่ทำให้เราหวาดระแวงคล้ายกับว่ามีคนมองจ้องเราอยู่ไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามลุงกับเพื่อนนั่งกินเหล้ากันอีกพักก็แยกย้ายกันไปนอนลุงนอนในห้องที่เพื่อนจัดเอาไว้ให้เป็นห้องเล็กๆในห้องมีกฎใส่กระดูกตั้งอยู่ตอนนั้นใจไม่สู้ดีแต่จะบอกเพื่อนว่ากลัวก็ไม่ได้ เพราะเพื่อนรู้ว่าลุงเป็นคนไม่เคยกลัวอะไรอยู่แล้วพอกําลังเคลิมเคลิมจวนจะหลับก็ได้ยินคนพูดข้างหูว่าออกไปจากห้องของกูออกไปจากห้องของกูออกกององกตอนแรกคิดว่าเราหูแว่วไปเองก็พยายามไม่คิดอะไรแต่คราวนี้ไม่ได้ยินเสียงแต่ถูกดึงขาลุงก็ชักเท้ากลับ แล้วสวดมนต์เป็นการใหญ่มีเสียงเท้าคนเดินรอบๆห้องลุงจึงตัดสินใจเอาวะเป็นไงเป็นกันเปิดมุ้งลุกขึ้นยืนทันทีในห้องนอนมันมีแสงสว่างลางๆไม่ถึงกับมืดเลยเสียทีเดียวลุงจึงมองเห็นแบบลางๆว่ามีผู้หญิงแก่ๆยืนอยู่ที่มุมห้องตอนนั้นสติแทบแตกโวยวายลั่นห้องจนเพื่อน ตกใจตื่นลุงก็เลยเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อนก็บอกว่าห้องนี้เป็นห้องยายของมันเองยายตายในห้องนี้และที่นอนที่ลุงนอนก็เป็นของยายมันเพื่อนบอกว่าลืมจุดธูปบอกยายของมันว่าลุงจะเข้ามานอนในห้องนี้ตอนนั้นมันก็จวนจะสว่างแล้วลุงก็เลยนั่งกินเหล้าต่อกับเพื่อน ไม่คิดจะกลับไปนอนในห้องนั้นอีกเลยนี่เป็นประสบการณ์ครั้งแรกของลุงที่ถูกผีหลอกจากนั้นลุงก็เริ่มศึกษาเรื่องราวของไสยศาสตร์ศึกษาเรื่องจิตวิญญาณและยังมีสิ่งต่างๆอีกเป็นจำนวนมากที่มีอยู่ในโลกนี้แต่คนธรรมดาสัมผัสไม่ได้จับต้องไม่ได้อีกประสบการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นกับลุงชด เป็นเรื่องของผีสาวเฮียนซึ่งเรื่องราวได้กเกิดที่จังหวัดลบบุรีญาติคนหนึ่งของลุงชดไปเปิดร้านขายของที่จังหวัดลบบุรีวันเปิดร้านเขาก็ชวนพวกญาติญาตไปทำบุญที่ร้านลุงก็ไปแต่ถึงลบบุรีก็ดึกมากแล้วตอนนั้นรู้สึกหิวก็เลยแวะทานข้าวต้ม ร้านข้าวต้มก็อยู่ติดกับสถานีรถไฟตอนที่กําลังนั่งกินข้าวต้มอยู่นั้นก็มีผู้หญิงคนหนึ่งเดินผ่านมาการแต่งเนื้อแต่งตัวก็ดีหิวกระเป๋าเดินทางใบเล็กๆมาใบหนึ่งแต่ลุงก็ไม่ได้สนใจอะไรพอกินเสร็จก็ขึ้นรถผู้หญิงคนนั้นได้เดินมาหาลุงแล้วถามลุงว่าจะไปทางไหนลุงก็บอกว่า จะไปทางลำนารายเขาก็บอกว่าเอา้าไปทางเดียวกันงั้นขอติดรถไปด้วยคนลุงเห็นเป็นผู้หญิงก็เลยสงสารเลยให้นั่งรถไปด้วยพ่อขับรถออกมาได้สักพักมันก็เริ่มได้กลิ่นเหมือนมีอะไรเน่าๆอยู่ในรถกลิ่นมันเหม็นมากลุงถามผู้หญิงคนนั้นว่าได้กลิ่นอะไรหรือเปล่า เธอก็พยักหน้าบอกว่ากลิ่นศพคนตายลุงบอกว่าไม่ใช่หรอกมันเป็นกลิ่นหนูตายต่างหากกลิ่นศพที่ไหนกันพอลุงพูดจบผู้หญิงคนนั้นก็หัวเราะออกมามันเป็นเสียงหัวเราะที่เยือกเย็นไม่ใช่เสียงคนอย่างแน่นอนพอลุงหันไปมองก็เห็นใบหน้าผู้หญิงคนนั้นเน่าเฟะ ดวงตาห้อยออกมานอกเบ้าน่ากลัวมากตอนนั้นลุงเหยียบเบรกรถทันทีตั้งสติแล้วสวดคาถาบูชาท้าเวสุวรรณร่างของผู้หญิงคนนั้นก็หายวับไปพอไปถึงบ้านญาติลุงก็เล่าเหตุการณ์ที่เจอมาให้พวกเขาฟังทีแรกก็ไม่มีใครเชื่อคิดว่าลุงโกหกแต่บังเอิญมีญาติคนหนึ่ง ซึ่งเป็นตำรวจมาถามลุงว่าผู้หญิงที่ลุงพบใส่เสื้อสีแดงลายดำนุ่งกางเกงสีขาวใช่หรือเปล่าลุงก็บอกว่าใช่เขาบอกว่าผู้หญิงคนนั้นชื่อว่าเพนเป็นคนจันทบุรีมาตามหาสามีที่จังหวัดลบบุรีแต่ถูกคนร้ายลวงไปคมขืนแล้วฆ่าทิ้งอย่างโหดเหี้ยมหลังจากนั้น ปรากฏว่าผีของเพนได้ออกอาละวาดเที่ยวหลอกหลอนชาวบ้านเป็นประจำตำรวจเองก็ยังถูกหลอกจนไม่กล้าออกตรวจพื้นที่วันรุ่งขึ้นลุงก็เลยใส่บาตรอุทิศส่วนกุศลให้เพนคืนนั้นเพนก็มาเข้าฝันลุงพร้อมกับขอบคุณที่ลุงทำบุญให้เธอเธอบอกว่าจะไปผุดไปเกิดเสียที